คู่มือมนุษย์ตอนที่หกเรื่องคนเราติดอะไรเบนจะขันอะไรเป็นที่ตั้งที่ยุดที่ก่อเกี่ยวของอุปทานที่ตั้งของอุปทานก็คือโลกนี้เองคาว่าโลกในทางพระพุทธศาสนา มีความหมายกว้างกว่าความหมายตามธรรมดาคือหมายถึงสิ่งทั้งปวงทั้งสิ้นกันทีเดียวไม่ว่าจะเกี่ยวกับมนุษย์เทวดาพรหมสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกปีศาจเปรตอสุรกายอะไรก็สุดแท้ที่จะมีรวมแล้วก็เรียกว่าโลก การรู้จักโลกมีความหมายอยู่ตรงที่ว่ามันมีความลึกลับเป็นชั้นๆเรารู้จักกันแต่ชั้นนอกๆที่เรียกว่าชั้นสมมุติหมายถึงตามสติปัญญาของคนทั่วๆไปพระพุทธศาสนาจึงมีการสอนให้ดูกันหลายๆชั้นท่านมีวิธีนะให้ดูการจำแนกโลกออกเป็นฝ่ายวัตถุซึ่งเรียกกันว่ารูปประธรรม ฝายจิตใจเรียกว่านา ม, มาธรรมยิ่งกว่านั้นท่านได้แบ่งส่วนที่เป็นนา ม, มาธรรมหรือจิตใจนี้ออกเป็นสี่ส่วนเมื่อเอารูปธปรรมหนึ่งส่วนมารวมกันเข้ากับนา ม, มาธรรมก็ได้เป็นห้าส่วนท่านเลยเรียกว่าเบนจะขันหรือขันห้าแปลว่าส่วนห้าส่วนประกอบกันขึ้นเป็นโลกคือเป็นสัต เป็นคนนี่เองการดูโลกก็หมายถึงการดูสัตว์โลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนเพราะปัญหาอยู่ที่เรื่องของคนร่างกายเป็นวัตถุที่เรียกว่ารูปหรือรูปขันส่วนที่เป็นจิตใจอีกสี่ส่วนนั้นจำแนกไปได้คือ ส่วนที่หนึ่งเรียกว่าเวทนาหมายถึงความรู้สึกสมประการคือสุขหรือพอใจอย่างหนึ่งทุกหรือไม่พอใจอย่างหนึ่งอีกแบบหนึ่งอยู่ในลักษณะที่ไม่อาจจะเรียกได้ว่าสุขหรือทุกข์คือเป็นเรื่องที่ยังเฉยๆอยู่แต่ก็เป็นความรู้สึกเหมือนกันความรู้สึกนี้มีประจําอยู่ในคนเราเป็นปกติ วันหนึ่งวันหนึ่งย่อมเต็มไปด้วยความรู้สึกท่านจึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบกันเป็นคนและเรียกส่วนนี้ว่าเวทนาหรือเวทนาขันส่วนที่สองเรียกว่าสัญญาแปลว่ารู้ตัวเป็นความรู้สึกตัวอยู่เหมือนอย่างว่าเรากำลังตื่นอยู่ คือไม่หลับไม่สลบไม่ตายหรือเรียกว่ามีสติสมปริฏิโดยทั่วๆ่วไปมักจะอธิบายกันว่าเป็นความจำได้หมายรู้ก็ถูกเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เมาไม่สลบไม่หลับไม่ตายดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อกระทบอะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายก็รู้สึกหรือจำได้ว่า เป็นอะไรเช่นรู้ว่าเขียวแดงสั้นยาวคนสัตว์ตามแต่จะจำได้นั่นแหละเป็นความรู้สึกของสมปริีหรือสัญญาในที่นี้ส่วนที่สามเรียกว่าสังขารมีความหมายมาก จนมันปนกันยุ่งไปหมดเราพูดถึงสังขารที่เป็นส่วนของนามธรรมนี้กันก่อนแปลว่าปรุงคือกิริยาอาการของสิ่งที่เป็นอยู่ในคนหนึ่งหนึ่งได้แก่การคิดหรือความคิดเช่นคิดจะทำคิดจะพูดคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดดีคิดเลวคิดในทางไหนก็จัดเป็นความคิดทางนั้น ความรู้สึกที่เป็นความคิดพุ่งขึ้นมาจากการปรุงแต่งภายในใจนี้เรียกว่าสังขารคำว่าสังขารในที่อื่นนั้นหมายถึงบุญกุศลที่ปรุงแต่งคนให้เกิดขึ้นหมายถึงร่างกายหรือโครงร่างที่มีจิตใจครองดังนี้ก็มีมีความหมายหลายทางแต่ตรงกันโดยเหตุที่มันมีความหมายไปในทางที่ มีการปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาส่วนที่สี่เรียกว่าวิญญาตหมายถึงจิตที่ทำหน้าที่รู้สึกที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นและที่กายทั่วๆไปตลอดถึงที่ใจของตนเองด้วยไม่ใช่เจตพูด อย่างที่คนส่วนมากเข้าใจกันขันห้านี่แหละเป็นที่เกาะยึดของอุปทานทั้งสี่ที่ได้อธิบายแล้วขอให้ย้อนไปแล้วนำมาพิจารณาให้เข้าใจกันให้ดีให้รู้ว่าความยึดนั้นมันเกาะจับอยู่กับส่วนห้าส่วนนี้ อาจยึดเอาแต่ละส่วนว่าเป็นตัวตนก็ได้แล้วแต่ความโง่ของคนเหมือนอย่างเด็กเล็กๆที่เดินเซไปโดนประตูเจ็บต้องตีประตูสิ้ีหนึ่งจึงจะหายกโกรธและหายเจ็บอย่างนี้หมายความว่ายึดเอารูปล้วนๆคือประตูซึ่งเป็นไม่แท้ๆว่าเป็นตัวตนนั่นเป็นอุปทานในขั้นต่ำที่สุด สำหรับคนโตโตก็โกรธร่างกายถึงกับทุบตีร่างกายหรือโขกศีรษะตัวเองก็ยึดถืออย่างเดียวกันกับเด็กคือไปยึดถือเอาร่างกายเป็นตัวตนถ้าหากว่าฉลาดขึ้นไปกว่านั้นก็จะถือเอาเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณส่วนใดส่วนหนึ่งว่าเป็นตัวตนถ้าหากไม่อาจจะแยกออกได้ก็ยึดทั้งกลุ่มว่าเป็นตัวตน คือเอาทั้งห้าส่วนรวมกลุ่มกันเป็นตัวตนอย่างนี้ก็ได้ถัดมาจากรูปก็คือเวทนากล่าวคือความรู้สึกว่าสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์มีทางที่จะยึดเป็นตัวตนได้มากที่สุดเราจะมองดูตัวอย่างในเรื่องเราหลงไหล ในการมาสุขโดยเฉพาะก็คือความอริดอร่อยความถูก อ, อกถูกใจในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสต่างๆที่ได้รับอยู่ตัวเวทนาในที่นี้ก็คือความรู้สึกอริดอร่อยซึ่งเป็นความสุขแล้วก็ไปติดความสุขนั้นหรือความอร่อยนั่นเองคนยึดถือเวทนาเป็นตัวเป็นตนกันอยู่มากหรือว่าแทบทั้งหมด เพราะว่าไม่มีใครที่จะไม่ชอบความอร็ดอร่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็การสัมผัสทางผิวหนังความไม่รู้หรือความหลงผิดทำให้มองไม่เห็นสิ่งอื่นใดมองเห็นแต่ความอร็ดอร่อยแล้วยึดถือเป็นตัวเป็นตนและจะยึดเอาสิ่งนั้นมาเป็นของตน ความรู้สึกทางพอใจหรือไม่พอใจก็ตามย่อมจะเรียกได้ว่าเป็นที่ตั้งของความทุกข์ได้ทั้งนั้นความรู้สึกชอบกับชังนี้ตามความหมายทางธรรมะแล้วย่อมถือว่าเป็นความทุกข์เท่ากันเพราะมันทําให้เกิดความทรมานใจเท่ากันความชอบทําให้ใจฝูความไม่ชอบทําให้ใจแฟบการดีใจและเสียใจ ก็เป็นการทําให้จิตเหน็ดเหนื่อยเท่ากันทําให้เกิดบัรไหวทางจิตได้เท่ากันทั้งหมดนั้นเรียกว่ายึดเวทนาเป็นตัวตนขอให้ทุกคนพิจารณาความยึดถือเวทนาว่าเป็นตัวตนของตนในตนเองให้เข้าใจอย่างถูกต้องจริงๆ จะเป็นหนทางทำให้เป็นอิสระจากเวทนาเวทนาเป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือจิตใจแล้วดึงเราไปสู่สภาพที่จะต้องเสียใจในภายหลังในทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านสอนให้พิจารณาเรื่องเวทนาโดยเฉพาะก็มีมากมีผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะกำหนดเวลา เป็นวัตถุ uh oh. สำหรับการพิจารณาเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์อย่างนี้ก็มีมากเวทนานี้เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้ง่ายกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดเพราะมันเป็นที่มุ่งหมายสูงสุดของสิ่งที่เราภาคเพียรทำกันเราอุตสาหศึกษาเล่าเรียน อุตสาห์ประกอบการงานอาชีพต่างๆก็เพื่อให้ได้เงินแล้วก็ไปซื้อหาสิ่งต่างๆเช่นของใช้ของกินเครื่องบำรุงบำเรอตลอดจนถึงรถพิเศษจากเพศตรงกันข้ามแล้วเราก็บริโภคของเหล่านั้นเพื่อหวังอย่างเดียวคือสุ ข, ขเวทนากล่าวคือความอริดอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นและทางกาย เราลงทุนด้วยกำลังซับ ก, กำลังกายกำลังใจทั้งหมดก็เพื่อหวังสุขเวทนาอันเดียวนี้เท่านั้นก็รู้อยู่แก่ใจกันดีทุกคนถ้าไม่เพราะอำนาจของสุขเวทนานี้แล้วท่านทั้งหลายก็คงจะไม่ลงทุนเรียนลงทุนทำการงานลงเรียวลงแรงหาเงินฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเรื่องสุขเวทนานี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเสียแล้ว ถ้ามีความรู้ความเข้าใจก็จะสามารถควบคุมมันได้จนทำให้เรามีจิตใจสูงอยู่เหนือความรู้สึกชนิดนั้นจะทำให้เราสามารถทำสิ่งต่างๆได้ดีกว่าที่เราปล่อยให้เป็นไปตามธรรมดาแม้ความยุ่งยากต่างๆในสังคมก็มีมูลมาจากสุขเวทนานี้เหมือนกัน การกระทบกระทั่งระหว่างประเทศหรือระหว่างครึ่งโลกกับครึ่งโลกที่จะต้องรบกันเมื่อไล่เบี้ยไปถึงที่สุดแล้วจะไปพบความจริงที่ว่าทุกฝ่ายตกเป็นทาสของสุขเวทนาดังที่กล่าวมาแล้วการทำสงครามกันนั้นไม่ใช่เพราะมีมูลมาจากความยึดถือเกี่ยวกับลับทธิหรือเกี่ยวกับอุดมคติอะไรก็หาไม่ได้ที่แท้แล้ว มันก็เนื่องมาจากประโยชน์สุขทางฝ่ายจะมุ่งแต่ให้ได้ประโยชน์มากจะกอบโกยเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวลัทธินั้นเป็นเครื่องบังหน้าหรือเหตุประกอบรองรองลงไปเท่านั้นเองส่วนลึกที่สุดอยู่ที่การตกเป็นทาุของสุขเวทนาฉะนั้นการรู้จักเวทนาก็หมายถึงการรู้จักมูลเหตุอันสำคัญ ที่ทำให้เราตกเป็นทาตของกิเลสหรือความชั่วจนได้รับความทุกข์ในทุกระดับเมื่อมนุษย์เป็นอย่างไรเทวดาก็เป็นอย่างนั้นคือตกอยู่ภายใต้อำนาจสุขเวทนาอย่างเดียวกับมนุษย์และยิ่งกว่ามนุษย์เพียงแต่เขาสมมุติให้เป็นเรื่องที่ดีกว่าประณีตกว่าได้อย่างอก อย่างใจกว่าเท่านั้นแต่ก็ยังไม่พ้นไปจากเรื่องตันหาอุปทานหลงติดอยู่ในรสอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองถ้าสูงขึ้นไปถึงขั้นพรมก็ต้องยกความอร่อยในทางกรรมรออกเสแต่ไม่พ้นจากความอร่อยทางจิตอีกชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่าฌานหรืออยู่ในสมาธิเกิดความสุขใจเป็นรสอร่อยขึ้นมาก็ติดใจในรสอร่อยนั้นเหมือนกันแม้ไม่เกี่ยวกับกา ร, ารมรลก็เป็นสุขเวทนานั่นเองยิ่งสัตว์ที่ต่ำลงไปกว่ามนุษย์ด้วยแล้วมันย่อมตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุขเวทนาอย่างไม่เป็นระเบียบ ยิ่งกว่ามนุษย์เรามากมายนะักฉะนั้นการรู้เรื่องของเวทนาว่าเป็นอย่างไรโดยเฉพาะรู้เรื่องเวทนาว่าไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเลยไม่ควรจะยึดถือจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่ชีวิตคนเราจริงๆถัดไปก็คือเรื่องสัญญาหรือที่เรียกว่า สมปริีนั่นเองมีทางที่จะยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราได้ง่ายเหมือนกันอย่างที่ชาวบ้านทั่วๆไปมักชอบพูดกันว่าถ้านอนหลับจะมีอะไรบางอย่างออกไปจากตัวเราที่เรียกว่าเจตพูดหรือจะเรียกว่าอะไรก็สุดแท้แต่ในขณะนั้นเราก็เหมือนท่อนไม้ไม่มีความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นและกาย พอสิ่งนั้นกลับสู่ร่างกายอีกจึงจะรู้สึกสมปฤดีตามเดิมมีสติสตังขึ้นมาตามเดิมคนเขาหลงเชื่อกันอย่างนั้นมากเลยยิ่งมีทางที่จะยึดเอาสัญญาหรือสมปฤดีนี้ว่าเป็นตัวตนมากขึ้นแต่ถ้าว่ากันตามทางพุทธศาสนาแล้วสัญญาไม่ใช่เป็นตัวตน สัญญาเป็นเพียงความรู้สึกจาได้หมายรู้ที่ยังคงดีอยู่พอเกิดการไม่เป็นระเบียบในการปรุงแต่งเท่านั้นสิ่งที่เราเรียกว่าสัญญาหรือสมปริฏีก็จะกลายเป็นใช้ไม่ได้ไปทันทีพุทธศาสนาไม่ยอมรับว่าสัญญาเป็นตัวตนก็เพราะเหตุนี้แต่คนทั่วไปก็ชอบเดาหรือสันนิษฐานไปในทางที่จะยึดถือว่าเป็นตัวตน การศึกษาพุทธศาสนากลับด้วยความรู้ที่ตรงกันข้ามวันนั่นไม่ใช่ตัวตนของใครนั่นเป็นเพียงผลของการปรุงแต่งตามธรรมชาติในคนคนหนึ่งเท่านั้นเองขันถัดไปคือสังขารได้แก่ความนึกคิดความรู้สึกจะทำนั่นทำนี่ จะได้นั่นได้นี่เป็นความคิดดีก็ตามชั่วก็ตามแสดงความเป็นตัวเป็นตนหนักขึ้นไปอีกใครๆก็จะรู้สึกว่าถ้าจะเป็นตัวตนกันบ้างแล้วก็ตัวผู้นึกคิดนี่แหละน่าจะเป็นตัวตนมากกว่าอย่างอื่นอย่างนักปรัชญาคนหนึ่งของยุคปัจจุบันเขามีปรัชญาของเขาง่ายๆว่าข้าพเจ้าคิดได้ข้าพเจ้าจึงมีอยู่ แม้นักปรัช ญ, ญาในสมัยวิทยาศาสตร์อย่างนี้ก็ยังยึดถือตัวตนอย่างเดียวกับในสมัยเมื่อสองสาพันปีมาแล้วโดยถือเอาตัวความคิดนั้นว่าเป็นตัวตนพุทธศาสนาได้ปฏิเสธเวทนาและสัญญาว่าไม่ใช่ตัวตนมาแล้วยังปฏิเสธความคิดหรือตัวจิตที่คิดว่าไม่ใช่ตัวตนเหมือนกัน เพราะอาการที่คิดขึ้นมาได้นั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นผลของการปรุงของสิ่งหลายๆสิ่งสำเร็จรูปเป็นความคิดขึ้นมาได้อยู่ในกลุ่มของส่วนประกอบต่างๆที่ประกอบกันเป็นคนโดยไม่ต้องมีตัวข้าพเจ้าเป็นตัวตนอย่างว่าสังขารหรือความคิดนี้จึงถูกยืนยันว่าเป็นอนัตตา กล่าวคือไม่มีตัวไม่มีตนอย่างเดียวกับขันอื่นๆที่กล่าวมาแล้วคำในพระพุทธศาสนาก็ระบุชัดอยู่แล้วว่าสังขารซึ่งแปลว่าของปรุงแต่งคือของหลายๆอย่างมาปรุงกันเข้าจึงยิ่งไม่ใช่ตัวตนความลำบากเข้าใจยากอยู่ตรงที่ว่า พวกเราไม่มีความเข้าใจในเรื่องของนามธรรมหรือจิตใจอย่างเพียงพอเรารู้จักกันแต่เรื่องรูปธรรม ท, ที่เป็นวัตถุแต่ธาตุอีกประเภทหนึ่งที่เป็นนามธรรมไม่ใช่วัตถุเราแทบจะไม่เข้าใจกันซสเลยเราจึงเข้าใจยากในเรื่องของการปรุงทางนามธรรม ในที่นี้บอกได้แต่เพียงตามหลักพุทธศาสนาว่าเป็นการปรุงของธาตุหลายหลายธาตุรวมทั้งวัตถุธาตุและนามทธาตุสิ่งที่เรียกว่าความคิดหรือสังขารจึงเกิดขึ้นในใจตัวเราเองและทำให้เข้าใจไปว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้คิดเชื่อไปในทำนองว่าเป็นเจตพูดเป็นวิญญาณเป็นตัวเจ้าของร่างหรืออะไรทำนองนี้ พุทธศาสนาปฏิเสธสิ่งเหล่านี้อย่างสิ้นเชิงเมื่อได้แยกออกเป็นส่วนๆไม่มีอะไรเหลือแล้วก็พิสูจน์แต่ละส่วนแต่ละส่วนว่าไม่มีส่วนไหนเป็นตัวเป็นตนตลอดถึงส่วนที่เป็นความคิดก็ไม่ใช่ตัวตนอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจกันเลยถัดไปเป็นส่วนสุดท้าย เรียกว่าวิญญาณทำหน้าที่รู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเราเหมือนกันเพราะเหตุว่าอวัยวะนั้นๆล้วนมีความสามารถรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่ตลอดเวลาเมื่อตากับรูปถึงกันเข้าวิญญาณก็เกิดขึ้นเป็นสามฝ่ายด้วยกัน เช่นตาก็มีความรู้แจ้งเกิดขึ้นว่ารูปนั้นมีสันฐานอย่างไรเป็นรูปคนหรือสัตว์สั้นหรือยาวขาวหรือดำอย่างนี้เป็นต้นความรู้แจ้งที่เกิดขึ้นทำนองนี้เหมือนกับกลไกอันหนึ่งซึ่งเป็นไปเองตามธรรมชาติอย่างอัตโนมัติ แต่มีคนบางพวกถือกันว่านั่นแหละเป็นเจตพูดหรือเป็นตัววิญญาณที่แล่นเข้าแล่นออกจากใจมารับความสมัมผัสทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายอย่างนี้ก็มีแล้วยึดถือเอาเป็นตัวตนตามหลักพุทธศาสนาถือว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นถ้ารูปและตาพร้อมทั้งประสาท ต, ตาได้มีการกระทบกัน ก็จะมีการเห็นเกิดขึ้นสำเร็จเป็นการรู้แจ้งทางตาเรียกจักษุวิญญาณตามชื่อของประสาทอันเป็นที่ตั้งแห่งการสัมผัสโดยไม่ต้องมีตัวตนอะไรที่ไหนอีกวิญญาณในศาสนาพุทธจึงไม่เหมือนวิญญาณในศาสนาอื่นๆ เมื่อได้แยกดูทีละส่วนทีละส่วนคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เห็นมีส่วนไหนที่เป็นตัวตนของตนดังนี้แล้วก็จะถอนความเข้าใจผิดเรื่องตัวตนเสียได้ว่าไม่ใช่เป็นตัวตนของใครเลยถ้าไม่เกิดความอยากก็ไม่เกิดความรักหรือเกลียดในสิ่งทั้งหลาย จึงจะเรียกว่าเห็นแจ้งในสิ่งทั้งปวงว่าไม่ใช่ตัวตนการนึกคิดตามเหตุผลก็พอจะทำให้เชื่อว่าไม่ใช่ตัวตนได้แต่มันก็เป็นเพียงความเชื่อไม่เป็นการรู้แจ้งชนิดที่จะตัดความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนตได้อย่างเด็ดขาดเหตุนี้เองจึงต้องศึกษาพิจารณากันตามหลักแห่งสิกขาสามประการจึงจะถึงขนาด ที่ถอนความยึดถือเรื่องนี้ได้หน้าที่อันจะพึงปฏิบัติในเรื่องเบญจขัน์คือต้องทำให้ความรู้แจ้งเกิดขึ้นเพื่อขจัดความโง่เสียและก็จะเห็นเองว่าไม่มีส่วนไหนที่เป็นตัวเป็นตนอันน่ายึดถือเมื่อนั้นการยึดถือก็แตกสลายลง แม้ยุดมาตั้งแต่กำเนิดก็ตามมันต้องหมดไปด้วยฉะนั้นเราจำเป็นต้องศึกษาเรื่องเบญจขันธ์ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความหลงว่าเป็นตัวตนนี้ให้ละเอียดพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องนี้มากกว่าเรื่องทั้งหลายมีใจความสรุปสั้นๆว่าเบญจขันธ์เป็นอนัตตาและถือว่าเป็นคําสอนที่เป็นตัวพระพุทธศาสนาแท้ เป็นใจความสำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งจะมองกันในแง่ปรัชญาหรือวิทยาศาสตร์หรือในฐานะเป็นศาสนาก็ตามถ้าเรารู้ตามที่เป็นจริงความยึดถือด้วยการเข้าใจผิดก็หายไปความอยากทุกชนิดจะไม่มีทางเกิดและความทุกข์ก็จะไม่มี ทำไมคนเราตามปกติจึงมองส่วนห้าส่วนนี้ไม่ออกตามที่เป็นจริงเมื่อเราเกิดมาจากท้องมารดาเราไม่มีปัญญาของเราเองเราได้รับความรู้มาตามที่เขาสอนให้เขาสอนเราไปในทางที่เข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นตัวตนไปทั้งนั้นอำนาจสัญชาตญาณดั้งเดิมเกี่ยวกับการยึดถือว่าเป็นตัวตนหรืออั ต, ตวาทุปาทาน ซึ่งมีติดมาตั้งแต่เราเกิดก็พอกพูนหนาแน่นยิ่งขึ้นทุกวันในการพูดจาก็ใช้คำว่าฉันท่านผู้นั้นผู้นี้ซึ่งล้วนแต่ย้าการมีตัวตนให้นั่นแฝงยิ่งขึ้นคนนั้นชื่อนั้นคนนี้ชื่อนี้เป็นลูกคนนั้นเป็นหลานคนนี้เป็นสามีคนนั้นเป็นภรรยาคนนี้ ล้วนแต่ระบุไปในทางเป็นตัวตนทั้งนั้นเราจึงพากันไม่รู้สึกตัวในการที่ไปยึดถือความเป็นตัวเป็นตนเพิ่มขึ้นทุกวันเมื่อยึดว่าเป็นตัวเป็นตนก็เกิดความเห็นแก่ตัวแล้วก็ประกอบการงานไปตามความเห็นแก่ตัวหรือพวกของตัว จนได้ประโยชน์มาบำรุงความใคร่ของตัวและผู้ของตัวแต่ถ้าหากว่าเราเกิดความฉลาดจนมองเห็นว่านี่เป็นของหลอกๆเราก็จะหมดความยึดถือว่านั่นเป็นนายกนายข้เป็นขุนหลวงพระพระยาเป็นสัตว์หรือมนุษย์โดยเห็นว่าเป็นเพียงเรื่องที่คนเขาสมมุติขึ้นคนเขาพูดกันในทางสังคมเท่านั้นเอง ถ้าเขาเข้าใจได้อย่างนี้แล้วก็นับว่าเป็นการเพิกถอนสิ่งที่หลอกลวงของสังคมได้ชั้นหนึ่งเมื่อพิจารณาดูร่างกายทั้งหมดของนายก่อก็จะพบว่านายกอนั้นเท่ากับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัมพันธ์กัน การเห็นอย่างนี้ก็ฉลาดขึ้นมาอีกหน่อยเรียกได้ว่าไม่หลงติดในการสมมุติทางโลกจะแยกให้ละเอียดออกไปอีกก็มีทางทำได้เช่นรูปร่างกายนี้แยกเป็นธาตุดินน้ำลมไฟหรือไม่แยกอย่างทางวัดทางวัดเขาแยกกันจะแยกอย่างวิทยาศาสตร์เป็นคาร์บอนออกซิเจน ไฮโดรเจนก็ได้เหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าเห็นลึกเข้าไปอีกคือมันหลอกลวงเราได้น้อยเข้าไปอีกชั้นหนึ่งกลายเป็นเห็นว่าคนไม่มีมีอยู่แต่ธาตุต่างๆร่างกายเป็นรูปประธานจิตเป็นนามธาตุแยกออกเป็นส่วนย่อยๆทําหน้าที่ต่างๆกันเช่นรู้สึกนึกคิดและรู้ทางประสาททั้งหลาย เมื่อเป็นดังนี้ความรู้สึกว่านายกนายขขุนหลวงพระพระยาก็หายไปความรู้สึกว่าลูกของเราผัวของเราเมียของเราก็พลอยหายไปแต่เมื่อดูกันในแง่ปรมัติจะปรากฏว่าแม้ธาตุดินน้ำลมไฟ ธาตุออกซิเจนไฮโดรเจนหรืออะไรก็ตามจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตามดูให้ลึกซึ้งแล้วก็จะพบลักษณะอันหนึ่งซึ่งเหมือนกันหมดคือความว่างจากสิ่งที่เรียกว่าตัวตนของมันเองดินน้ำลมไฟดูตรงไหนๆมันก็ไม่มีตัวตน ซึ่งภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าสุญญตาท่านผู้ใดเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของว่างได้ดังนี้แล้วความยึดถือหรืออุปทานย่อมไม่มีทางที่จะเกิดได้ที่เกิดแล้วก็ไม่มีทางที่จะเหลืออยู่ได้มันจะสูญหายละลายไปหมด จนปราศจากความยึดติดโดยสิ้นเชิงมันจึงไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีธาตุไม่มีขันไม่มีอะไรทั้งหมดเป็นความว่างจากการมีตัวมีตนของมันเองเมื่อไม่ยึดติดความทุกข์ก็ไม่มีทางเกิดขึ้นใครจะเรียกเขาว่าคนดีคนชั่วคนสุขคนทุกข์หรืออะไรก็ตาม ไม่เป็นของแปลกสำหรับเขาทั้งหมดนี้เป็นผลเกิดมาจากการมีความรู้ความเข้าใจและมีความเห็นแจ้งในความจริงของเรื่องเบญจขันธ์จนถอนความยึดติดที่ผิดๆทั้งสี่ประการนั้นเสียได้สรุปความว่าสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ รวมอยู่ในคำว่าเบญจขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละส่วนเป็นมายาไร้ตัวตนแต่ก็มีอำนาจของเวทนาล่อให้เกิดการยึดถือจนคนทั่วไปอยากมีอยากเป็นอยากไม่ให้เป็นซึ่งล้วนแต่ทำให้เกิดทุกข์ไม่อย่างเปิดเผยก็อย่างเร้นลับ ทุกคนจะต้องอาศัยข้อปฏิบัติที่เรียกว่าไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาถอนความหลงผิดในเบญจขันธ์เสียให้สิ้นเชิงจึงจะไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของขันธ์ทั้งห้าและก็จะไม่มีความทุกข์โลกจะอยู่ในลักษณะที่อำนวยความผาสุขใจให้แก่ผู้นั้น ไม่ต้องร้อนใจเพราะสิ่งใดใดเป็นผู้มีจิตใจอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงตลอดชีวิตนี่เป็นผลของการรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องเบญจขันธ์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ความเอย๋ยความสุขใครใครทุกคนชอบเจ้าเฝ้าวิ่งหาแกก็สุขฉันก็สุขทุกเวลาแต่ดูหน้าตาแห้งยังแครนใจถ้าเราเผาตัวตันหาก็น่าจะสุขถ้ามันเผา เราก็สุขหรือเกลียมได้เขาว่าสุขสุขเนออย่าเห่ไปมันสุขเย็นหรือสุขไม่ให้แน่เอย่ย